อาจารย์ครับก่อนนวัตกรรมครับผมอาจารย์นวลคุณหมอท่านผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ครับก่อนพระอาจารย์เข้ามาผมได้โปรโมทเล่มนี้ครับพระอาจารย์พระอาจารย์เห็นหน้าปกยังครับยังไม่เห็นเลยข้างหน้ายังไม่เห็นเลยปกแอลมาให้ดูก่อนครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับอาจารย์อันนี้เป็นฉบับร่างครับชื่อไหมเปิดใจเปิดธรรมฉบับสมบูรณ์ครับอาจารย์ครับพี่จุก ให้แจกในรายการเราหนึ่งพันเล่มครับอาจารย์เดี๋ยวค่อยกําหนดบัตของเหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่สองรอยยี่สิบเก้าแล้วนะครับเมืชาพระอาจารย์บินทบาทคนเยอะไหมครับผมเมื่อเช้านี่ได้สี่ร้อยห้าสิบคนนึงอ๋อปกติแล้วก็ออนไลน์อีกเยอะไหมครับอาจารย์สองร้อยวันนี้ออนไลน์คนหายไปเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณจะไปทอดกระถินกันเยอะ Oh, หายไปเกือบครึ่งอ๋อครับผมธรรมดาประมาณสามร้อยก็เหลือประมาณร้อยห้าสิบอ๋อช่วงนี้เทศกาลกระถิ่นครับใช่ใช่ใชแต่คนที่มาที่หน้าประติกยังยอะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบอครับผมรวมยอดแล้วก็ประมาณห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยกว่านหน่อยกระติกจะเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยขึ้นไแปด้าร้อยครับ ช่วงนี้ก็ถินเนี่ยโดยเฉพาะวันสาร์วันอนาะทิตย์นีนต่ตรงกับวันที่เขาทอดกะถินน่นกัครับผมเมื่อวานก็เห็นผ้าป่ามีคนไปทอดอยู่หน้ากุฎพระจาย์นะครับเอานะเป็นผ้าส่วนตัวคน <c oughs> สุดขา่าย <c oughs> ก็อยากจะทําบุญถวายพระนี่เมื่อก่อนก็ไปสวงหาว่าต่างๆเป็นเจ้าภาพทอดกะถิ่นนี่บางทีก็มันต้องจองคิวต้องอะไรมันยุ่งยาก ก็เลยบอกว่าทำไมไม่มาถอยเราอยู่่ไกล้ๆแต่ถอยเรามันถอยกระถินไม่ได้เพราะภาพกระถินเป็นวันที่เป็นวันหลวงเป็นกรถินพระราชทานารก็เลยถอยเป็นภาพป่าไปนี่ก็เลยเป็นเรื่องส่วนตัวมาที่บุตริแต่มากันเยอะก็ประมาณสี่ห้าร้อคนได้ไหมเสร็เต็มที่หมดนะครับรับปราทา์เหนื่อยเลยครับ S <S> <S ไมเหื่อยเราก็เหมือนเหมือนธรรมดา พ, พูดเกิดธรรมประมาณสิบห้านาทียี่สนาทีแล้วก็รับประเค์ของครับผมให้พอนครับพระอาจารย์ครับเมื่อวานครับพระอาจารย์ตอนบ่ายผมฟังธรรมะแล้วพี่คำคเนี้ครับอาจารย์บอกความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวตอนฟังนี้รู้สึกโล่งเลยครับพระอาจารย์คือตอนนั้นอา <Aww. S 2> จจะรู้สึกเห็นจริงตามที่ตามที่บทธรรมะนั้นพูดนะครับ ก็เลยรู yeah ้ส um ึกรู้สึกโล่งไปไประยะหนึ <K <K ่งเลยครับอาจารย์ก็เลยอยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์เพื่อตอบย้ําครับอาจารย์ขับกับขอกกมิตาครับกอร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะซึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของธรรมชาติทั้งหมดต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติต้นไม้ก็มีใบไม้เลยใบไม้ต้องลงมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันให้ที่เราทุกข์กับมันเพราะว่าเรารับไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่อง่งายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจไมีค่อยได้หาความสุขจากการใช้ ควาสุจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คืลกกระทำทั้งสี่ได้แก่รามยศเสริเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากราบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ใจเลยกลัวกลัวความสูญเสียของร่างกายเสียเครื่องมือไปได้ เพราะว่าถ้าไม่มีร่า ก, กายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาราภหายศหาสารรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรยประเสริดได้ก็นองจำนองตัวเองว่าเราไปติดคุกนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะตายตายเป็นครื่งหนึ่งตายเป็นส่วนใหญ่นะก็จะไ่หาราภ ก, ก็ไม่ได้หายศจะไม่ได้หารางวีรางวัลสเสริญต่างๆก็ไม่ได้ รูปเสียงกินเราก็หาได้แตพาะเสิ่งที่มีอยู่ในครุกเท่านั้นเองมันก็ทาให้คนไม่อยากจะติดคู่กันกลัวคุบ ม, มันก็กลัวควาตายกลัวความแก่กลัวความเจ็บก็เหมือนกันเพราะเวลาร่างกายแก่ก็ความสามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุ้สึกก็ลด น, น้อยถอยลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันต้องนอนโรงพยาบาลนหรือถ้าไม่ใช่ก็อิจจะพิ ก, พ ก, การ ลองคิดดูสิถ้าเกิดตาบอดขึ้นมาเราจะรู้สึกยังไงว่าพี่จะขาดตาไปสองตาไม่สามารถมองเห็นภาพนี่มันก็แสนทรมานนะเพราะเราติดอยู่กับภาพต่างๆรูปภาพต่างๆ ต, ตลอดวันนี้เราถทาจะขาดไม่ได้ยนะต้องมีรูปให้ได้เห็นมีเสียงให้ได้ยินแล้วถูกไปจับขังอยู่ในห้องคนเดียวนี่มันถทาจะระเบิดใจมันแทจะระเบิดออกมา ด้วยความทุกข์ทรมาด้วยความอยากฉะั้นวิธีที่ทําให้เรานี่ไม่ทุกข์กับความตายได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้อย่าไปขึ้นร่างกายหาความสุขซึ่งพระเจ้าสองคนพบว่าคือการหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมรดาภาวนาก็จะทําทให้ใจสงบเป็นช่วงสงบแบบเชือกขาว แล้ววปัสสนาภาวนาก็จะทำให้ใจสมอย่างยกยั่งยืนถาวรความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติใช้ปัญญาสติก็จะทำให้ใจสมองแบบชั่วงราวปัญญาก็จะทําทให้ใจสมอย่างถาวรพระพุทธเจ้าพระสาวาุกขังายท่านก็บังเพงเปลี่ยนวิธีหาความสุขท่านก็เป็นเหมือนเราตอนนั้นท่านเป็นคาราวาท่านก็เป็นครอบครัวบ้างมี มียศมีฐานะต่างๆคนที่บาบวชนี้ในสมัยพุทธกาลที่มีแทบทุทกฐานะมาเศษธีก็มีพระเจ้าเจ้าชายระาชาเจ้าชายลูกกษัตริย์ก็มีมีทุ ก, ท ก, กระดับเมื่อก่อนก็หาความสุขผานทางร่างกายพอไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วันสนุกเลยฮ้ต่อไปจะไม่สามารถใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือได้นะ วันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องแก่ถึงเวลาที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงว่าที่จะตายเวลาเนี้ยก็จะรู้สึกทุกข์มากเพียงแต่ยังไม่เจอเลยเพียงแต่คิดถึงมันก็ทุกข์กันละกลัวกวันลกลั ว, วไม่กลัจกวจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไา้ความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีในโลกนี้นได้ก็เลยไปเห็นนักบวชนะเห็นนักบวชที่เขามีวิธีหาความสุขอรูปแบบหนึ่งในการหาความสุขแบบ งานทำจิตให้สงบที่เรียกว่าสมาธินัยยะสมาธิพระเจ้ายังไม่ได้ตัดสิ้ก็มีวิธีเดียวนะคือวิธีของสมาธิทําจิตให้สงบแล้วใจก็จะหายทุกข์ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่เป็นเป็นการระงับแบบชั่วคราวในขณะที่เข้าสมาธิพอจากสมาธิมาความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมันก็ยังมีอยู่เพราะไม่ได้ถูกสมาธิทําลาย สมาธิเพีงแต่กดมัยุดกดความอยากเอาไว้พอจากสมาที่มาความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้าไม่มีร่างกายนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้ก็เลยทําต้องลดทุกครั้งทีเกิดความทุกขใจเกี่ยวกับร่างกายก็เข้าสมาธิไปเมื่อคิดถึงเราแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่สบายใจ ก็เข้าสมาธิไปในเวลาเจะใไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสบจากเรื่องเสียงินลดได้ก็เข้าสมาธิไปเปลนวิธีดนั้นก็ไม่ต้องสระไม่ต้องเพิ่ร่างกายได้ไม่ต้องเพิ่ม่างกายนางกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่กลัวมองเห็นความเป็นจริงตามตามหลักความเป็นจริงได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานางกายมันเจอยแล้วมันก็ต้องแก่เจียตาย มันเป็นวัตถาจรของร่างกายของทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรเป็นขอทานมห ah าเศรษฐีหรือเป็นคนยากคุณจนก็เหมือนกันนะครับร่างกายของทุกคนเหมือนกันจะทําให้ใจไม่ทุกข่กับร่างกายก็ต้องไม่พิ่งร่างกายให้เปลี่ยนวิทยหาความสุขใหม่หาความสุขจากการทําใจให้สงบตอนตอน้องยากทำให้สงบด้วยสติก่อย ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงตรัส ร, รูวิธีเวลาออกจากสามาธิแล้วทําให้ใจสบายไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับคําแค่คําเจ็บคามตายได้ก็คือต้องใช้ปัญญาศึกษาว่าเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายเนื่งแต่ร่างกายเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นของชั่วเข้าเป็นของที่เราสั่งให้มันอยู่ยั่งยืนถาวรไม่ได้มันต้อง แต่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนดันั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อยากประยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นี้ความทุกข์ของใจก่อจากความไม่อยากให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายพอเรารู้เข้าใจมาความจริงแล้วความทุกข์ก่อจากความอยากอยากให้ร่างกายอยู่เป็นอานาอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ไม่ตายมันก็เป็นแบบไม่ได้แต่มันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าไปอยากไม้หให้มันแก่ไว้ให้มันเจ็บไม้หให้มันตายอยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้ทุกคนเหมือนกันหมดพอยอมรับความจริงได้ไมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติฝืนมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้ต้องอยอมรับเพียงอย่างเดียวพอรับได้แล้วใจก็หายชุบนับเป็นวิทยากามสุขกัน ถ้าตับใดอย่างก็ให้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะร่างกายมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็จะทุกข์ใจก็จะกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้กลัวยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ต้องใช้เหตุใช้ผลชู้กับชู้มันเราไปนะมันรับความกลัวได้ ความกลัวเกจากความอยากจะใช้ร่างกายเป็ที่พึ่งเมื่อเรารู้ว่าเราพึ่งมันไม่ได้ตลอดมันเป็นของชั่วคราวเราก็เปลี่ยนวิธีไปเปลี่ยนวิธี ร, รับสัตวโดยไม่มต้องใช้ร่างกายเป็นเครืมืใช้สติใช้สติพอใจสงบความอยากที่ทําให้เกิดความกลัวมันก็หายไปพอออกมาจากสมาที่ความอยากมันยังไม่หายจากกําลังของสมาธิ มันก็โผลขึ้นมาทำให้เรากวดวตายได้ก็ต้องใช้ปัญญาสมันใจว่าบาอยากไม่ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีห้ามมันไม่ได้อยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยแล้วใจก็จะสงบถ้าไม่ปล่อยใจก็เครียดใจก็จะทุกข์ขึ้นมาก็ต้องปล่อยด้วยปัญญาท่านี้แหละเป็นวิธีหาความสุขกัน เรามาในวันพระุู้เจ้าสอนให้เราคาราวะาทั้งหลายให้มีวันเปลี่ยนวิธีครัความสุขหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งวันธรรมนัสวันะวันพระเนี่ยให้มาเป็ น, ป, นปฏิบัติได้่องคำว่าคือ ย, ยุติการสาความสุขผ่านทางร่างกายไม่เสพกาไม่ร่วมเพศกัใครไม่กินอาหารเพื่อเพื่อความสุขกินเพื่ออยู่กินแบบกินยากินเมื่อเดียวก็พอกินข้าเดียวก็พอ ไม่เอาความสุจากรูปเสียงกันรสในรูปแบบบันเทินะครับไม่เอาความสบจากการนอยบนที่นอนที่แสนจะสบายเนาะจะนอนมากเกินไปให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก่อนนอนมันเพิ่แข็งแข็งแล้วเวลามาจะระเสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งใจสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจถูกใจให้อยู่กับ อารมณ์ที่เราเดีกว่ากรรมฐานอารมณ์แห่งความสง บ, บนี่คือกรรมฐานอารมณ์มีหลายอารมณ์อารมณ์ที่ทําให้เครียดก็มีถ้าไปผูกไว้กับเงินทองผูกไว้กับดอกเบี้ยผูกไว้กับตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเครียดที่สุดทันทีแต่ถ้าผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกผูกไว้กับพุทโธเนี่ยมันจะทําให้ใจบบนี้งใจสงบได้มีสี่สิทชนิดด้ยกรรมฐาน แต่ส่นใหญ่เราก็ใช้แค่เฉพาะสองสามอย่างนี่นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเรามีการเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆท่านก็บอกว่าให้ใช้การบริการพุทโธก็ได้หรือจะให้ใช้การเข้าดู ก, การเคลื่อนไหวต่ตางๆของร่างกายก็ได้ผูกใจไว้กับน่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องแล้วถ้าเวลามานั่งสมาธิก็ เปลี่ยนจากการดูร่างกายเคลื่อนไหวมาเป็นดูการเคลื่อนไหวของวงแทนลมเข้าแทนหรื อ, อจะใช้คำบริกรรมพูดเท่าตลอดในขณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะผสมภาษานกันแล้วแต่ละต่า บ, บายของแต่ละท่านที่คิดขึ้นมาอย่างใดก็ได้ที่จะทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิให้ใจกลาความสุขจากความนิ่งสงบของใจนั่นคือ รูลหลังของความสุขแรงไปแล้วเราก็ได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แทนที่จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็มาความสุขผ่านทางสติทางสมาธิแล้วต่อไปก็มาเจริญปัญญาเพื่อให้ได้ความสุขแบบไม่อ ย, ยืนถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้คือตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจความอยากนี่ทําให้ใจเครียดทําให้ใจไม่สงบ มพอตัดความอยากไปได้ใจก็หายเคียดใจก็สงบขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ไลยพระอาารย์ครับอย่างที่เมื่อวานผมได้ยินอย่างนี้นถือว่าเป็นสูตรตรายะปัญญาใช่ไหมครับระดับใช่ระดับความท <c oughs> ุขกข์ไปได้ครับหนึ่งแค่แป๊บเดียวเดี๋ยว่าเดี๋ยวพอคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายขึ้นมาคิดถึงสิ่งบุนคคลที่เราเราักเราชอบที่เราจะต้องพัดพากกันไป มันก็มันก็ทุกขึ้นหม่าถ้าเรายังเรายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่เราไม่สามารถตัดสิ่งเนี้ไปออกไปจากใจเราได้ไม่ว่าเป็นสุดแตมตตาปัญญาก็ได้มันก็ขั้นที่สองก็เอามาคิดบ่อยๆคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสอนใจห้ามมันไม่ได้มันก็อาจะทําให้เกิดความสงบต่อเนื่องขึ้นมาแต่มันก็ได้ในระดับหนึ่ง เพรามันยังไได้ไปเจอของจริงเราเจอของจริงแล้วก็ไปสืร ด, ดู ว, ว่าเราใจเรานี่ยเฉยได้ไหมไม่กลัวไหมถ้าไม่ก็เจออุบัติเหตุที่อาจจะทําให้เสียงเป็นเสียงตายขึ้นมาใจจะหวาดผวาขึ้นมาแล้วบบนี้จะเฉยได้ถ้าเฉยได้ต่อไปเราก็รู้ว่าเราไม่กลัวตายนะจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ครับผมขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับ ส่วนใหญ่จะทำใจได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิเราหยุดความอยากไม่ได้มาเจอความความอยากรุนแรงกำลังสู้ไม่ได้ความอยาก อ, อยู่เนี่เป็นความอยากที่รุแนแรงที่สุดไม่มีใครอยากตายอยากจะอยู่เรื่อยกันทุกคนพราะ้องเจอความตายเนี่ยความอยากไม่ตายเรื่องอยากทำให้เกิดความทุกข์มากถ้าเราหยุดตอนนี้หน้าถ้าถ้ า, าหยุดใจได้เข้าสมาธิได้แล้ว น้อก็จะมีเบลเบขาวางใยได้หยุดความอยาได้ถ้าเราไปทดสอบไปอยู่ในป่าชา้าเน่ไปอยู่ที่เปรียวที่นากลัวเราดูสิว่าใจอะไรเตื่นเต้นตกใจหรเปลาการเตนเต้นตกใจก็แสดงว่าสมาธิเรา ย, ยังมีไม่พอเบลเบขายังมีไม่พอถ้ายานฝึกสมาธิให้ว่าให้จิตนิ่งสงบดนานๆให้เบลเบข า, านานๆ คุณตะวันครับบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปจนจิตเข้าพวังและเกิดนิมิตเห็นนั้นเห็นนี่ควรจะแก้ไขยอย่างไรดีครับอย่าไปสนใจการ บ, บริกรรมต่อเพราะว่ายังไม่ถึงความสงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่เราจะไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันลอยอยู่ในอวกาศแต่มีความสงบ ม, มีความเย็นสบายนิ่งเฉยไม่วุ่นวายกับใครไม่วุ่นวายกับอะไร วันนี้ได้ไปทําบุญกรถินต้องใช้คําอุทิศแบบไหนถึงจะทั่วถึงทุกท่านครับก็ใช้ภาษาเรานี่แหละภาษาใจคิดไปในใจขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้มันก็เป็นการทําบุญในรูปแบบหนึ่งเท่านั้นกรถินคือการถวายผ้าใส่บายรก็ถวายอาหารสร้างบุติก็ถวายบุติกพาผ้าไปโรงพยาบาลรักษาพยาบาล น, นี่ก็เป็นการ ถวายยาถวายาการรักษาพยาบาลก็เป็นทานเนการทําบุญได้ทานก็อุทิศเหมือนเหมือนกันนะไม่มีอะไรพิเศษเรครับทีนเราไปสมมุวจกันขึ้นมาว่ากระถินนี่เป็นงานใหญ่งานพิเศษนะครับความจริงมันก็เป็นงานถวายผ้าที่เปนพิเศษที่ใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดในาำนั้นคืออยากจะพูดถึงที่มาของกระถินนิหน่อยเ่อคนจะได้เข้าใจ ในยุคแรกๆของการประกาศศาสนาเนี่พระจะไม่พึ่งยาติอยู่มากพยายามไม่พึ่งพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดในเรื่ององบัตรใจสี่พึ่งอย่างเดียวก็คือการบินดับบาศแต่ไม่ไปขอพึยงแต่ว่าเป็เดินให้ทราบว่ า, าต้องการกเปิดโอกาสให้ใครอยากจะทําบุญก็สามารถใส่ฐานใส่บาศได้อาจจะไม่รับปรนใครถ้าไม่ใครไม่พร้อมที่จะใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ มีข้อควรก้จะเรื่องเดียวคเรื่องอาหารส่วนนรื่ผ้านี่ก็ให้ไปเก็บผ้าที่้องที่งไว้ในป่าช้าคือผ้าห่อศพสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาหรือฝังไปเพราะมันประหยัดไงการเอาผ้าผืนเดียวมาห่อศพแล้วก็ไปทิ้งนี่มันง่ายกว่าถ้าฝังก็เอามากุดลุมกันถ้าเผาก็เราไปตัดต้นไม้ตัดอะไรมาทําเป็นเฟืองก็เผามันชั่วผ้าผืนเดียวเนี่ยผ้าขาวเนี่ยมาห่อ ห่อสมแล้วก็ไปทิ้งให้มันเน่าเปื่อยพอสมเน่าเปื่อยแล้วแต่โคงก็ดูผ้ามันก็ขายาไปใช้อะไรก็มาไปได้ซึ่งเป็นเป็นที่นิยมของนักบวชสมัยนั้นเวลาต้องการจะเอาผ้ามาทาเป็นผ้าห่มผ้าจีบวรนี่ก็ไปเก็บผ้าบางสกุลนี่ก็เรียกผ้าป่านผ้าห่อข้อสมที่สมัยภาษาบาลีท่านเรียกผ้าบางสกุลนะเราเรียกสั้นๆว่าผ้าป่าเพราะยังเป็นผ้าป่ามั้ยผ้ามาจากป่าช้า แต่เลกห้ง่ายๆก็เรียกผ้าปะ่ะนี่คือวิธีหาผ้าใช้ผ้าของผ้าเพกรสุและนักบวชของสำนักอื่นก็ใช้แบบนี้กันต่อมาเมื่อมีนักมีคนศรัทธามาบวชกันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นผ้าเลยขาบตลาดไม่พอใช้ผ้าขาดอ่านีท่านี้พระจะต้องมีสามสามผืนก็มีได้แค่สองผืนนะแล้วถ้าเกิดไปเจอฝนผมเปียกฝนก็ไม่มีผ้าเปียก มีมีการณีหนึ่งมีผ้าอีก่ผมเดินทางมาจอจา ก, ก, อพกัพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็ไปเจอฝนผ้าจีวัก็เปียกบอลผ้าเพราะแ้นก็ไม่มีผ้าผืนที่สามมาเปียกก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในทั้ขนขณะที่อสสของผ้าเปียกบอลเข้ามาพรุทธเจ้าเห็นว่าอะไรสงสารรู้ถึงความยากลำบากของผ้าว่าผ้าไม่พอใช้พรุทธเจ้าอะไรสงตัดดอกญาติโยมมา ถ้าได้ถวายผ้าให้กับพระช่วงนี้จะเป็นกุศลมากจะเป็นบุญมากเป็นประโยชน์มากเพราะพระท่านเดือดร้อนนี่คือคาที่มาคือคําจิงถ้าหมายถึงประโยชน์ของผู้รับตอนนั้นถ้าถวายผ้าจะทำช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของของพระได้ก็เลยมีการบอกว่าถวายถวายผ้าให้กับพระพระจานทรยังมีผ้าพอใช้แต่ถ้านก็ระวังไม่ให้ถวายมากเกินไป เรายกำหกนหดเวลาของการถวายผ้ากระถิ่นนี้ให้อยู่แค่ช่วงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษามาจน ถ, ถึงวันลอยกระทงนี่หนึ่งเดือนวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้ากระถิ่นแล้วแต่ละวันนี้รับได้เพีงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ผ้าที่อยู่เนี่ยผ้าที่ยังมีสิทธิ์วัดที่ยังมีสิทธิ์รับค่ากระถินได้ต้องเนี่ยร้อยู่จำนวนสักห้ารูปขึ้นไป ถ้าต่างวันนั้นก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหหรับอาจจะมีการบังคับให้พระอยู่จำพรรษา ก, กันให้เขาถ้าอยู่น้อยอยู่คนเดียวเนี้ยมก็ม จ, จะไม่มีเสร็จที่จะรับพราเนี่ยนะคือที่มาของคําว่ามีบุญมากแต่ความจริงมันบุญมากม่ได้อยู่ที่การถวายพระกรถินเนาะถวายพระป่านะฮะมันอยู่ที่ถวายกี่ขืนมากกว่า ถ้าถวาผ้าผ้ากระถินผืนเดียวแลว้วถอยผ้าป่าห้าผืนเนี่ยถวายผ้าป่าได้บุญมากกว่าบําที่เกิดจากการให้เป็นจากการเสียสาะนี้มากกว่าเข้าใจไหมถ้าคนเราไปคิดว่าโอการกระถินนี่สําคัญชาติหนึ่งเกิดมาเป็นชาพุทธที่ต้องเป็นเจ้าภาพกระถินให้ได้มันจะได้บุญมากจะได้ไปสวรรค์เพราะด้วยการกระทําบุญกระถินครั้งนี้ครั้งเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่ทํามากทําน้อย ไม่ได้อยู่ที่ว่าทําบุญถอยภ้ากระถิน่นหรือถอยภผ้าบามสกุลถอยผ้าปลาหรือถอยผ้าสังฆทานมันเหมือนกันทั้งนั้นมีการให้ผ้าเหมือนกันอยู่ที่ว่าให้มากให้น้อยบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การเสียสละของเราเมื่อเราเสียสละมากเสียสละน้อยอันนี้พูดให้ฟังคนจะได้ไม่ไปหลงคิดมากกับเรื่องของการ งานกระถินถ้าปีนี้ไม่ได้ไปท่ากระถิ่นรู้สึก้อยเราไม่ได้บุญเลยได้นใส่าบาตรุวกนี้ก็ได้ถวายพระตายทักผืผนให้กับพระที่เดินมาบิณฑบาตก็ได้เดินไปที่วัดก็ได้ถ้าสะดวกก็ไปจากคุณย่าครับความตายคงเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เพราะบ้านเดิมอยู่อาศัยไม่ได้แล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับจริงในการเปลี่ยนร่างกายมากกว่า เป็นการถ่ายเปลี่ยนทั้ง32อ ว, วัยวะเลยไม่ใช่ถ่ายะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตายเปลี่ยนตับเพียอย่างเดียวนี่เปลี่ยนทั้งร่างเล่มันซื้อรถใหม่เลโดยกล่าวก็เข้าเชียงกงไปเลยส่งเข้าป่าชาไปเลยแล้วรอให้เกิดมาไหม่พอถึงเวลาได้มาเกิดก็ได้ร่างกายใหม่ครบอาการ32ไม่อิ่มนะการเกิดก็คือการได้การได้ร่างใหม่ การตายก็คือการสละร่างกลับ่อนที่เราจะได้ร่างใหม่เราก็ต้องสละร่างเก่าอาจารย์ครับแล้วร่างใหม่ถ้าเรารักษาศีลดีๆไปร่างใหม่ก็จะมีโอกาสดีใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดีกว่าคนที่ทําบาปเช่นต า, ตามกฎแห่งกรรมที่ท่านแสดงมาคนที่ทําบาปเวลาได้ร่างกายใหม่มันจะได้ร่างกายที่ไม่ดีรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงายผิวพรรณก็ไม่ผ่องใส อาการก็อาจจะไม่ครบสามสิบสองอาจจะมีโรคภยัยเบียดเบีโรคภัยติดตัวมาอายุสั้นอันนี้เป็นต้นฐานะการเงินการทําก็ไม่ดีที่มาเกิดในทาหน้ายค่าผู้ท่ททำบุญมากเวลากลับมาเกิดนี้ก็จะมีบุญมาอุปถัมภ์มาเกิดอยู่ในบ้านที่มีฐานะครอบฐานะครอบครัที่ดี รวยมากรวยนะ้อยก็อยู่ที่อดีตชาติทําบุญมากทำบุญ น, น้อยมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสงสัยร่างกายสวยงามมีอาการครบสามสิบสองมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวนาน น, น, นี่เป็นอันนี้สองของบุญหรือบาป ท, ที่เราทํากันในภพนี้ชาตินี้จำเป็นมีส่วน ท, ที่จะที่จะทําให้ร่างกายของเราในภพหน้าชาตินเป็นอย่างไรบ้าง อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยอย่างเดียวอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นทางการแพทย์ก็พออย่างเดียวหอาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์ของของพ่อของแม่อาจจะถ่ายทอดให้กับลูกเรือ ว, วิธีที่พ่อแม่อดูแลเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็อา จ, จะมีส่วนมีผลกระทบด้วยแล้วมันจะมีมันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ปัจจัยแต่บุญหรือ บ, บาปเท่านั้นเองแต่นี้นเราพูดถึงแต่ปัจจัยของบุญและบาป แต่คุณยานครับเวลามีแต่เดินหน้าและลมหายใจคุณพ่อกําลังสั้นลงเรื่อยๆลูกๆจะเตรียมอย่างไรเพื่อให้คุณพ่อไปสู่สุคติได้บ้างครับเพราะนั้นเะรื่องของตัวใครเัิดมันเตรียมให้ใครไม่ได้แล้วเราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายไม่ใช่มันเตรียมตัวตอนที่จะตายนะมันไม่ทันการทุกคนต้องเตรียมตัวของเราเองทำบุญทาทานรักษาศีลภาวนา ทำได้มากทำได้น้อยทำมากก็ได้หบุดมากวเวลาไปก็ไปอย่างสุกทำได้น้อยก็อาจจะได้หบุดน้อยติดตัวไปแล้วตายอย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะตายอย่างธรมารก็ได้เห็นวอยู่ที่การการเตรียมตัวเราในขณะนี้เราเป็นเหมือนนักมวยที่เราจะต้องขึ้นขึ้นเวทีต่อสู้กับอคู่โชคของเราถ้าเราไม่ซ้อมแล้วตอนนี้เราไปเที่ยวไปกินไปดื่ไมไปเฮาปารตี้พอถึงมันจะ จะจ ะ, จะขึ้นไปทีก่อนวันนึ่ก็มาซ้อมเมันวันเดียวมันไม่ถัดการขึ้นไปก็โดนคู่ต่อสู้นอกเขานะหมัดสองหมัดก็โดนออกนะถ้อยากจะไปอย่างสรงบไปอย่างดีไปอย่างไม่กลับมาเลยก็ต้องปฏิบัติบําเพ็ญทานศีลภาวนาะให้เต็มที่ให้ได้ตลอดเวล่ะคุณดําครับ ทำสมาธิบ่อยๆต่อเนื่องทุกๆวันจะทําให้เกิดพลังจิตได้ใช่ไหมครับถ้าพลังจิตเพื่อหยุดกิเลสนนะใช่แต่พลังจิตอ ย, อย่างนี้ไม่แน่นะถ้าหมายถึงเรื่องพลังจิตทําด้านอิทธิธปตปฏิหารนี่บางคนก็มีบาคนก็ไม่มีคนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำไมทําอะไรจริงจังมากหรือว่าเป็นนิสัยส่วนบุคคลครับมันก็แล้วแต่คนนะ การปฏิบัติธรก็ต้องจริงใจงมันเดิจะได้ผลดีถ้าทําแบบรลาะแหละทําแบบไม่จริงใจมันก็จะไม่ค่อยได้ผลกัเท่าไหร่ที่นคนที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จริงจใจจริงใจทำอะไรนะ่นเด็ดขาดเด็ดเดียวคุณอุ๋ยครับเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ครับพยายามทําใจปล่อยวางให้ใจสงบพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางแต่ก็ยังอ่อนแออยู่ดีครับ ทั้งหมดแรงกายทั้งหมดแรงใจแล้วนะครับอาจารย์ต้องพยายามเจริญสติอย่าไปทําใจมาข่ามันให้มันวางให้มันสงบไปเองมันไม่ได้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําทให้ใจสงบก็คือสติเช่น ก, กรรมนิยกรรมพุทโธพุทโธนี้พยายามนิยกรรให้มากให้ต่อเนื่องแล้วอาการเครียดอาการซึมเศร้ า, าต่างๆมันจะค่อยๆบรรเทามันจะลดน้อยถอยลงไป ถ้าจะมาบงคับ ม, มันเฉ ย, ยๆน่มันบังคับมันไม่ได้มันมีกําลังมากกว่าเราคุณพัชรีครับสามีภรรยาอยู่ดูแลกันมาสามีเป็นมะเร็งเพิ่งเสียชีวิตมีคําแนะนําอย่างไรให้ภรรยาอยู่แบบไม่ทุกข์มากครับก็อย่าไปคิดถึงเขาเขาผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาเรายังอยู่ต่อความทุกของเราก็อยู่พ่อความอยากของเราพยายามลดน้ำความอยาก คนหาดูว่าเราทุกขพอะไรทุกขราะสามีก็เพราะว่าราอยากให้อยากจะให้เขากลับมาอยากจะอยู่ใกล้เขาแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องตัดความอยากนี้ไปจริงๆทุกเพราะว่าเรากลัวจะเป็นมะเล็งเราก็ต้องสอนใจว่าร่างกายมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครใจะไปควบคุมบังคับมันได้มันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้เราไม่ทุกข์ได้ด้วยการ ย, ยอมรับความป็นจริงของมัน ถ้าเรารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปล่อยมันไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะไม่ทุกคนทําสมาธิจนได้ก็เขียนว่ายานสี่นะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะชาลสีส<ะ>แล้วยังเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมครับไม่หรอกถ้ามีสมาธิไม่เป็นอัลไซเมอร์ยากเพรมีสติสมบูรณ เวลาทำอะไรนี่นจะรูเสึกตัวรู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่เมื่อรู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่มันก็จะจดจำได้ที่เราจดจํากันไม่ได้เพราะเราทําแล้วเราเราไม่ได้มีสติทําไปแบบใจลอยหรือคิดด้วยบางที่กินยาเสร็จใหม่ๆแต่ขณะตอนกินยาไม่ได้อยู่กับการกินยาเลยอยู่กับเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้พอกินยาเสร็จก็เฮ้ไม่ใช่กินยาหรือเปล่า อันนี้คำถามนี้นะพระอาจารย์น่าจะตอบไปก่อนแล้วครับบอกว่าการทอดกรถินกับใส่บาทในวงเงินทําบุญที่เท่ากันได้รับผลบุญต่างกันไหมครับไม่ต่างเหมือนกันทําทานเท่ากันอยู่ที่ปริมาณของการายจากของเร า, าเราไวจากมากน้อยเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ชนิดของบุญที่เราทําแต่ถ้าถามว่าถ้าเราทําบุญทำทานกับรักษาสิเนี้อาจจะมีบุญมากกว่าสินน่าจะมีบุญมากกว่า เีษจะทําให้เราไม่เอาไปใช้กรรมในอบ า, ายยามากกว่าเลยมัน อ, อาจจะเป็นบุนคนะชนิดมีคนลหน้าที่เดียวกัถ้าเราทําบุญทำทานแต่เราไม่รักษาเีษถ้าเกิดเราทําบาปมากกว่าทําบุญบุญนี่ยังไม่สามารถส่งเราไปสวรรค์ได้เพราะว่าบาปมันมีกําลังมากกว่าบาปมันจะส่งเราไปอบ า, ายซะก่อนยิ่งถ้าเพื่อความแน่ใจว่าเราตายไปแล้วได้ไปสู่สุคติ นอกจากการทำแบบนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ทํำบาปด้วยพยายามรักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ให้บุญมีมากกว่าบาปจากหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับเดินเดินทรงกลมท่องสัมมาอาระหังได้ไหมครับได้ข้อสําคัญอย่าไปคิดอะไรในขณะที่เท่าวเราอยู่กับสัมมาอาระหังไปเรื่อยๆถึงอมื่จะมีความคิดแทรกเข้ามาก็อยากไปสนใจอย่าไปตามคิด ให้กับสาัาอะไรอยงเดยการมอบร่างให้กับโรงพยาบาลดวงวิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนครับจะได้ไปเกิดใหม่ไหมครับจะมอบไม่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าเวลาวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็ขาดการติดต่อกับร่างกายนั่นเองดวงวิญญาณก็ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทําไว้ ไม่เร้ยุ่ว่า ก, การมอบร่างให้กับใครหรด้วยแต่ยังได้เป็นทุกข์เพราะว่าสามีเจ้าชูค้ครับอาจารย์ทุกข์เพราะเราอยากให้เขาซื่อเสร็์ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาไม่มีไม่มีคนอื่นเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาความจริงว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เพราะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหมือนผลไม้ เขาเป็นส so, ้มแต่เราอยากให้เขาเป็นกล้วยมันเป็นแบบไม่ได้เราก็เลยทุกไปทุกับความอยากของเราเองอย่าให้เขาเปลี่ยนอย่าให้เขาเป็นกล้วยเขาเป็นส้มแต่อยากให้เขาเป็นกล้วยแต่ถ้ามองความจริงแล้วเขาต้องเป็นกล้วยเขาต้องเป็นส้มเราให้เขาเป็นกล้วยไม่ได้ก็ยอมรับความจริงเนีใจไม่หายทุกเขาเป็นอย่างนี้แ่ะเขาจะต้องเจ้าชู้เขาจะต้องมีอไปมีแฟนมีชู้ เรารับเขาได้ไหมปะถ้าเรารับเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรารับไม่ได้เราก็จะทุกข์ไปจนวันตายท่านนั้นคุณดีวครับกับถามพระอาจารย์ครับทําไมกฎของกรรมถึงเป็นเรื่องที่ทุกคนหาไม่พ้นบางบางชาติทําดีแต่ตายไปตกนรกเพราะเก่าจากชาติที่แล้วตามมาสลับไปดีบ้างสลับไปไม่ดีบ้างอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรครับ ก็ตามตามที่พระเจ้าสอนให้ทำนะน้อยการกระทําบาปลงณการกระทําบาปทำแต่บุญแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมารับผลบุญผลบาป ก, ก็ให้ไปชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกอถ้ายังทําใจให้บอยสุดธไม่ได้ยังต้องกลับมาเกิดก็ทําบุญให้มากกว่าทาบาปจะได้เป็นว่าตายเกิดในสุคติ แต่ถ้าทํำบบปมากก็ทำบุญก็จะต้องมาเจอกับผลถองบาปทานศีลภาวนาจะทําให้ชีวิตเจริญได้อย่างไรครับชีวิตนี้ต้องหมายถึงถ้าทางด้านจิตใจนะจิตใจเราจะสมเก้ดดีขึ้นเช่นตอนนี้เราจิตใจเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่รักษาศีลจิตเราจะลงต่ำถ้าเราฆ่าสา์รักษาปัจจัยผิด ปเพณีปรพฤติประพฤติผิดในการพูดป่วนด่มของมึนมาหรือเสพอบายังโน้นนี่มันจะต้องมันจะพาจิตใจให้เราลงต่ำเวลาตายไปจิตใจเราจะไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้จิตใจเราก็ยังจะคงสภาพของความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราสูงกว่านี้เราก็ต้องทําบุญ เพราะการทำบุญจะยกระดรับจิตใจให้สูงจากมนุษย์ไทยขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นเทพแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าสอชั้นเทพยิ่สูงกว่าเทวดาอยากจะไปสอนชั้นพรมก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้เข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานได้จิตใจก็จะขึ้นสู่ระดับพรหมแล้วถ้าอยากจะไ ป, ไป เ, เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระบุคคลเป็นพระอรหันตพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญเพาะ ต้องเห็การเจริญปัญญาต้องเห็นตายักต้องเห็นอนิจจ ส, สัตี่นี่คือการพัฒนาจิตใจไม่ได้หมายถึงการพัฒนาความนั่งรวยราบยุทสารเสริญสุขคนทํำบาปนีด้วยกับคนทําบุญเยอะแยะใช่ไหมคนคนทำบาปนี้เป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะกับคนทาบุญก็ดูผ้าหลานมีมีผ้าหลานรูปแบบเป็นนายกบ้างกับแบบ มีแต่คนทำบาปนะที่ไปเป็นนายทำไมเขาไม่สกรีนมากคนที่ว่ามีศีลห้าคงบหรือปล่าคนที่จะว่าเป็นนายกเนะี่ยทำไมไม่ไม่ถึงคุณสมบัติอันหนึ่งเพราะสกรีนไม่ได้ไม่รู้จะให้ใครสกรีนยังไงครับจากหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับ ท, ทําตินข้าวอย่างเดียวปักทานด้วยตักใส่บาตด้วยได้หรือเปล่าครับ ก็ยากเป็นส่วนๆไปส่วนใส่บาแล้วก็ยากไปเช่เราทำกับข้างเสข้างเสร็จส่วนนั้นจะใส่บานแล้วก็ยากไปส่วนนั้นส่วนส่วนที่เหลือเราเอามาเก็บมาแล้วเชื่อกันได้ทานเท่ากันมนานๆารนี้ได้การกด้วยกากุศล สบายแล้วบางทีไม่มาก็คิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณครับการทําความรู้สึกตัวอย่างสม่ําเสมอกับการระลึกพุดโธให้ผลที่ต่างกันไหมครับคือพื่บอกคำรู้สึกสุดรู้สึกดีไหมมาหมายคําว่าอย่างไรไม่เข้าใจบางรู้สึกตัวตลอดเวลา มันต้องรู้มันต้องผูกใจไว้กับอะไรอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่วางๆถ้าเรายังรู้สึกตัวแต่เรายังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่ในขณะที่เราเดินไปเดินมาหรือใาขณะที่เราทำอะไรนี้แสดงว่าใจไม่มีสติใจยังลอยอยู่เพราะจะรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวอยู่กับเรื่องเดียวเิ่นอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับทานานั่งกลาให้รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว ถ้ามีการเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวของร่างกายมันต้องมีอะไรให้ใจเกาะไว้ไม่ใช่รู้สึกตัวแบบลอยลอยแล้วไม่รู้ว่าใจมันคิดเรื่อะไรก็ปล่อยมันคิดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มันไม่ใช่เป็นการฝึกสติฝึกสติต้องมีการถูกใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวคุณอัจฉราครับเล้นถามพระอาจารย์เรื่องการทําสมาธิ คือลูกถนัดการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งกับเรียนถามว่าสามารถเดินจงกรมแทนการนั่งได้เลยหรือไม่ครับแทนไม่ได้หรอกแต่เป็นการกระทำเพื่อให้เราไปนั่งสมาธิต่อได้เพราะเบื้องต้นเหตที่เรานั่งสมาธิกันไม่ได้เพราะสติเรายังมีกาลังน้อยเวลานั่งเรารู้สึกอึดอัดนั่งเราไม่สบายแต่เวลาเดินให้เราสามารถที่จะมีการ เคลื่อนไหวมีการปล่อยให้ใจได้คิดนู่คิดดีได้บ้างแต่เราก็อยากพยายามเจริญสติก็คุมใจให้อยู่กับการเดินเช่นถ้าเราเดินโยกงงนี้เราต้องเจริญให้มีสติอยู่การเดินเนื้อให้มีสติอยู่กับพุทโธไม่ใช่เดินเฉยๆไปแบบเดินชอปปิ้งไปนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดินไปกัคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เอามาคิดถ้าเดินแบบนี้ไม่ใช่การเดินโยกงง การเดินย่อมกมี้ต้องเดินแบบมีสติถูกใจให้อยู่กับการเดินก็ได้ถูกใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วถ้าท่านทาอย่างนี้ได้ต่อไปเราจะมีสติมากแล้วเราจะสามารถนั่งสมาธิอย่ึกไม่อย่างสบายได้อย่างไม่รู้สึกอหนอื่อยหน่ายใจได้คุณกิฟครับกราบขอปัญญาครับ คุณแม่ให้มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งหมออยากตรวจเพิ่มเติมแต่แม่บอกว่าเป็นร่างกายของท่านไม่อยากตรวจรักษาลูกๆจะทํำยังไงดีครับวางจิตวางใจอย่างไรใจยังวางเฉยไม่ได้ครับต้องเคารพสิทธิของท่านเรามีหน้าที่สนับสนุนท่านต้องการจะทําอย่างไรเราก็มีหน้าที่สนับสนุนท่านไม่ใช่ไปขัดขัดใจท่านไปขวางท่าน อยากรู้อยากรู้ครับว่าทําไมทําดีแล้วถึงไม่ได้ดีเลยครับว่าเป็นคนละเรเื่องกันทําดีดีทำ ด, ดทำ้านจิตใจไม่ใช่ดีทางด้านการงานการอะไรต่างๆคนละเรเื่องกันเราจะแพ้มาชนแก่การทํความดีนี้เพื่อให้จิตใจเรามีจิตใจที่ดีมีความสุขชี่เวลาเราเสียสละแบ่งปันเนี้จิตใจเราจะมีความสุขจิตใจเราจะเป็นคนดีนก็ คนที่เสียทรามหนังปานี้จะไม่เบียดเบียนคนอื่นจะให้ความสุขกับคนอื่นนั่นเองดีแบบ น, นี้ดีทำนั่นจิตใจไม่ใช่ดีด้วยเงินเดือนทําดีแล้วจะต้องเงินเดือนจะต้องขึ้นยดตําแหน่งแล้วไม่ต้องเลื่อนขั้นเลื่อนอะไรไม่ใช่คนละเรื่องคับคุณธัญญาครับเวลาสวดมนต์อธิษฐานจิตให้ลูกมีความสุขอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็ดี เป็นเรื่องของการกระทำของแต่ละคนความสุขอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนเรามีหน้าที่สอนเขาเราช่วยเขาได้เราเองแต่สอนเขาวิธีที่ทําให้เขามีความสุขช่วยให้เขามีคนซื่อสัตย์สุจริตให้เขามีความขยันหมั่นเพียรในการทําหน้าที่ของเขาการเรียนรังสือเคื่องการทำในหน้ต่างๆไม่ให้เกียดคร้านให้ความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความเมตตาเราสอนนี้เขาวิธีการทําให้เขามีความสุข แตเราจะมานั่งขอให้เขามีความสุขแบบลอยๆนี่มันทำมันทำไม่ได้คุณรัชนีครับกับเรียนถามความคืบหน้าในการนั่งสมาธิวันนี้นั่งสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงและบ่ายอีกสองชั่วโมงทุกวันอาทิตย์วันนี้นั่งได้แบบผ่านเวทนาไปได้แบบสบายๆและมีตกหลุมตกบ่ออยู่หลายรอบในขณะภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่สนใจเวทนาเริ่มมองอะไรก็สุกหนอสุกหนอ โยมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับต้องนั่งสมาธิและภาวนาให้มากๆใช่ไหมครับใช่ถูกต้องทำให้มากทาไม่ชํานาญทาให้เกิดผลทุกครั้งที่เรานั่งทําให้เราอยากนั่งทําห้ยิ่งทั้งเราติดสมาธิผ่อนอันติสมาธิเบื้องต้นนี้ไม่เป็นการเสียหายจะเสียหายก็ต่อเมื่อเราสับเราติดเมื่อเราชํานาญมากเราติดกระทั่งเราไม่ก้าวหน้าต่อไปเราก็ต้องมีการแบ่งเวลาจากการนั่งสมาธิให้กับการมาเจริญปัญญาต่อ ขั้นตอไแต่เรายังพักอาศัยสมาธิอยู่ถึงแม้เราจะเจอปัญญาเครื่องหนึ่งเราก็ต้องต้องมีสมาธิไว้สนับสนุนเพราะการใช้ปัญญานี้เป็นเหมือนกับการใช้จรสับมือถือการนั่งสมาธิก็เป็นเหนกับการชาร์แบบนี้าเราเวลาใช้มือถือเราใช้ทางปัญญาก็เหมือนเราใช้ใช้ใช้ใช้กระลังของใจคือพระปังของสมาธิให้มันหมดไป เพราะมั น, มนปลายใจก็จะร้อนใจก็ฟงขึ้นมาได้เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิสนับกันหลังจากได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องช่วงหลังๆนิยมเริ่มรู้สึกแยกกายแยกจิตได้ชัดขึ้นและเริ่มรู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆขอคําแนะนําพระอาจารย์เพื่อพัฒนาต่อครับถ้าก็อยกไปเรื่อยๆเ้าก็ไปที่ส่วนที่ว่ารับปล่อยมันได้หรือเปล่าถึงอแม้จะรู้ว่าไม่ใช่เราเราปล่อยมันได้หรือเปล่า เวลามันเจ็บเราปล่อยมันปวดหัวเราอย่าไปกินยาแก้ปวดใจ้ไหมปล่อยให้มันปวดไปเราทําใจให้เราเฉยๆให้กับการปวดของมันได้หรือเปล่าคุญแจกันครับนั่งสมาธิมาหลายปีมากๆแต่รู้สึกว่ามันไม่เคยสงบเลยครับอยากจะขอวิธีจากอาจารย์ครับเพราะสติเราไม่พอสติไม่พอที่จะหยุดความคิดต่างๆเราต้องฝึกสติระหว่างวันด้วยไม่ใช่จัง เราใช้สติเฉพาะเวลาที่เราเน่าอย่างเดียวเราสามารถฝึกสติจนสติได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เร็มตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจก็ได้หรือค่อยเข้าดูอเอียาบุตรต่างๆขงร่างกายไปก็ได้เมื่อจะเนสติเพิ่มมากขึ้นพอเวลามานั่งสมาธิก็จะนั่งได้สงบได้ง่ายไ ด, ไ ด, ได้แล้วคุณพิมพ์ละวีครับ วิตกจริตเรื่องสุขภาพง่ายกลัวเป็นนั่นนี่เวลามีอาการแปลกๆของร่างกายแต่เป็นคนไม่ชอบไปโรงพยาบาลไม่ชอบไปหาหมอควรทำอย่างไรครับก็าทาใจเลยอะจะเกิดก็ต้องเกิดห้ามไม่ได้ยอมยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะหายถ้ายองไม่ยอ ม, ยอมเจ็บยอมตายก็จะก็จะมีปัญหายอย่างนี้ไปเรื่อย คุณธิดาครับกาบเรียนถามเจริญสติอยู่กับอาการกริยาขณะนั้นก็ไม่สามารถพูดโธได้คือจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่แน่หรอกบางคนก็พูดโทไปก็ด้วยแล้วก็เฝ้ายู่ด้วยก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้สองอย่างเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คุณส้มโอครับถ้าเราเห็นคนแต่งกายงดงามมานั่งสมาธิแต่คนอื่นๆบอกว่าไม่มีอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรครับ ไม่ทราบเห็นยังไงแล้วคนเดียมองไม่เห็นเราเห็นคนเดีย ว, วแสดง ว, ว่าเราเราเราไม่รู้จะไม่รู้จะว่ายัางไงดีก็บอกไม่ถูกเหมือนก็ให้รู้ความเป็นจริงก็แล้วเขาไม่เห็นเราเห็นก็แล้วกันแล้วก็จบที่ตรงนั้นไม่ต้องไปถียงกันเสียเวลาความสุขทางโลกคือดิ้นรนหาเงินทองมาสนองความอยากแล้วทางธรรมเราต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะหลุดพ้นจากความอยากของตัวเองครับ เนยไปฝึกสมาธิเข้าค่ายปฏิบัติธรรมไปอยู่นานๆไปปฏิบัตินานๆเมราะการไปอยู่น่าจะตอบตอบความอยากลงไปเที่น้ำเล็กน้อยแล้วเป็นวิธีทําความสุบมาเป็นการนําใจให้สงบแทนและความสุบจากความสงบของใจคุณเนชนกครับขอวิธีเริ่มต้นการทําสมาธิครับ ต้องจารนสติก่อนต้องฝึกสติก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิฝึกสติต่างๆเงินตา่นตางขึ้นมาเลยลองใช้คําบริการพุโทโธในใจว่าตน่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปเช่นไปทับกินในห้องน้ำก็พุโทโธไปหาบน้ําน้าหน้าไปรงฟันก็พุโทโธไปแห่งเนื้อแตกตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องขึ้นนี้ น, น, นในการเจริญสติถ้าเราสามารถเป็นพุโทโธ อ, อย่าง ต, อองต่อเนื่องได้ เวลามานั่งสนะมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วก็อยู่พุโทโธพุโทโธไม่ต้องดูลบก็ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็พอมล้วเดืยวใจก็จะสงบได้คุณกนกวันครับอยากนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นยังไงออกคล้ากันเลยครับัเนเดียวกันครับผมเป็นคนโกรธเกลียดแม่จะบาปมากไหมครับ ก็ไม่ไไม่ควรเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความกระตันอยู่เลยไม่เห็นพระคุณของแม่เลยเป็นพยายามจะนั่งพระคุณของแม่ให้มากๆคิดคิดถึงความทุกข์ยากลำบากของแม่ที่เราต้องเลี้ยออกมาตั้งแต่อยู่ในท้องท่านเมตตาเราท่านมีความรักเรามากแต่เราก็ไปเกลียดท่านนี่แสดงว่าเราเลวมากต้องต้องทำตัวเองแสดงว่าเราไม่มีความกระตันอยู่เลยความกตันนีแปลว่าการสานึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณ ไม่มีกตาตเวทีคือการตอบแทนบุญคุณคนที่ได้มีการกระตันกระตัเวทีนี้เจริญยากพื้นฐานของคนดีของคนที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นเจริญก้าวหน้าลุกในชีวิตได้ต้องมีความกระตยูก่กระตเวทีเป็นพื้นฐานคุณรักจังครับตอนขาหักใช้ร่างกายทําอะไรไม่ค่อยได้ได้ใช้โอวัตธรรมมาสอนใจเรื่องร่างกายพอดีครับ มันจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเราไปอาศัยมันไม่ได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเกิดพิกลพิการขึ้นมาขึ้นคุณแพทครับกลัวความเจ็บปวดทรมานทุรนทุรายเวลาจะตายทําอย่างไรดีครับฝึกสตินั่งสมาธิกันทําให้เก่งทําให้ชานาญเมื่อเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายเราก็เพียงแต่เข้าสมาธิไป นานใจเราก็จะไม่ทรนานคุณติเล็กครับกลัวความเจ็บมากกว่าความแก่ความตายจะปฏิบัติทำข้อไหนครับให้หายกลัวความเจ็บครับก็คืหละให้ฝึกสตินัสมาธิทําใจให้สงบเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายเราก็เข้าสมาธิใหม่มีขั้นแรกคือขั้นสมาธิขั้นที่สองก็คือหลังจากได้สมาธิแล้ ว, ลวเรามาฝึกขั้นปัญญาสนใจว่าความเจ็บนี้มันเป็น เรื่องของร่างกายที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันเป็นสิทธิที่เราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่มีความทุกข์ได้ด้วยการยอมรับมันอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่มาเะนั้นเองปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันอยู่มันจะไปก็ปล่อยให้มันไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปคุณสืบสักด์ครับ การปฏิบัติธรรมแล้วรู้ว่าใครๆก็ทุกข์แต่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้จริงเพียงแต่ปลงได้มากขึ้นยังมีตัวมีตนอยู่มากควรพัฒนาอย่างไรให้ตัดได้แบบสุดๆครับก็ต้องไปเจริญสมาธิเนี่ยเจริญอุเบกขาแล้วเราเข้าถึงฌานสี่ได้ใจเราจะวางเฉยได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามร่างกายของเราร่างกายของใครเราก็จะใช้ได้ไม่ทุกข์กัน บริกรรมพุโทโธใจต้องนึกคำว่าพุโทโธใช่ไหมครับใช่ให้หยุดขอบพุโทโธไม่ดอกเสียงแล้วมันไม่กี่ภายในใจพุทโธพุทโธเราต้องต้นอย่างอต้องออกเสียงหยุดต้องออกเสียองเบาๆไปคุณพักไปกันนะแต่ทางที่ดีพอเราสามารถที่จะรับไว้ภายในใจได้จะดีกว่าเราจะได้ไม่ไปรบกวนชาวไร่แล้วคนเหล่านั้ก็จะได้ไม่หักมาคิดแบบไม่ดีก่บเราคุณ คันหาไทยครับนั่งสมาธิสักพักเข้าพวังหลับแก้ไขอย่างไรครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่งนกขึ้นมาได้ตรงกรมทานเดินได้รือว่าถ้า ย, ยัางร่วงอยู่ แ, แสดงว่า่ า, าจะกินอาหารมากเกินไปก็ต้องลดการกินอาหารให้น้อยลงถือเส้นแปรคืออยากกินอาหารบางเที่งวันไปแล้วัหรือถ้าอยากจะนั่งไม่ให้ว่วก็นั่งตอนที่ก่อนกินหรือนั่งตอนที่หลังกิน กินเสร็จแล้วมานั่งมันจะ ง, ง่วงจะหลับแต่ถ้านั่งก่อนที่จะกินนี่มันไม่หลับเพราะมันหิวคุณมอมมอมครับบอกว่าหนูโอนเงินผิดไปโดนบัญชีมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์อาณาถาเกือบ5้าพันบาทถ้าหนูเลือกที่จะไม่เอาคืนแบบนี้ได้บุญไหมครับได้เหมือนกันอย่าทำมืกับใครไม่พูดเราไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่คให้ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อย ถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่อยาเราอยากได้คืนมันก็ยังไม่ได้บุนเพราะใจเรายังจะทุกข์อยู่แต่ถ้าเราเอามันก็เป็นเหมือนกับทา บ, บุญกับวดัดกับโรงพยาบาลโรงเรียนเหมือนกันเราคิดอย่างนี้เราก็ปล่อยไปไลยใจเราก็จะได้บุญเหมือนกันได้ความสุขเหมือนกัน คุณนิกนะครับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วทําร้ายตัวเองเป็นบาปไหมครับแล้วคนที่ตายเพราะการฆ่าตัวตายจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับบาปก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นนะฆ่าตนเองก็ต้องไปนรกเหนนคุณอริยาครับวันนี้โยมรู้สึกเหมือนใจมันบีบคั้นบริเวณอกและมันรู้สึกอึดอัดมากเลยเมื่อโยมอยู่ใกล้กับผู้คนครับ ก็ทำใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนัตตาเราควบคุมมันข้มันไม่ได้ให้รู้เฉยๆไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็นดับไปอย่าไปอยากให้มันหายความอยากจะทํ า, าทให้ใจเรา ย, ยิางย่งทรมารย์ขึ้นมามากขึ้นอีกเห็นท่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราเราทาอะไรไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆไปสักแต่ว่าไปสักแต่ว่ารู้ไปรู้ใจเราจะได้ไม่ทรมาร คุณโกโก้ครับบอกว่าใส่เงินในบาทพระตอนตักบาทอย่างนี้สมควรหรือไม่ครับก็ไม่สมควรต้องถามพระก่อนว่าเวลาอยากจะถวายเงินว่ามีใครรับหนึ่ให้ท่านได้หรือเปล่าถ้าท่านมีแล้วก็บอกให้ให้ใส่ให้ฝากคนนี้ไว้แล้วก็ฝากคุณทิดาไปแต่ถามพระไม่ได้แล้วพระรับเงินทองคำมือเองไม่ได้คุณกุณทิดาครับ คนที่ป่วยเป็นมะเร็งควรสวดมนต์ทำสมาธิและเจริญปัญญาด้วยใหม่ครับเผื่อให้ไม่เป็นทุกข์กับร่างกายและความเจ็บป่วยครับคือความเพื่อของร่างกายนี้เราห้ามไม่ได้เราดัดมันไม่ได้แต่เราห้ามความทุกข์ทางใจได้ถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญปัญญาคุณแววครับเดินจงกรมจะ ก, กำหนดจิตไว้แบบไหนครับ ก็มีสองวิธีอยู่กับพุโทโธก็ได้เไปกับ บ, บริการพุโทโธพุทโธไปภายในใจอีกวิธีหนึ่งก็ดูเท้าที่เราก้าวมาเลยซ้ายขวาซ้ายขวาไปคุณบักครับหากไม่สะดวกทําบุญเลี้ยงพระที่บ้านเพื่อสิริมงคลเราสามารถนิมนต์พระหนึ่งรูปมาที่บ้านเพื่อถวายสังฆทานได้กุศลต่างกันอย่างไรไหมครับ ก็อย่างที่บอกมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่จํำนวนการเสียสละของเราเสียสละมากเสียสละน้อก็ได้บุญมากบุญน้อยคุณนาริตะครับหนูไปทําบุญทุกครั้งจะโทรไปหาแม่ที่บ้านให้สาธุด้วยอย่างนี้แม่จะได้บุญด้วยใช่ไหมครับนะ แ, แต่ว่าท่านยินดีที่แม่ถ้าท่านยินดีใช่มันจะได้บุญจากการยินดีไม่ได้บุญจาก การทำทานของเรานะทานนี้ถ้าไม่ได้ทานท่านเพียงแต่อานุมโมทนาท่านชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเราท่านก็มีความสุขจากการชื่นชมยินดีแต่ท่าไม่ได้ได้บุญจากการเสียสละเงินทองเพราะท่านไม่ได้เสียสละเงินทองคุณฝนครับการใช้แรงกายปัดกวาดเช็ดถูวัดหรือเช่นการจัดห้องน้ําวัดก็ได้บุญอีกแบบใช่ไหมครับ ใช่บนที่เกิดจากการนักใช้สัมผัผู้อื่นคุณฟิโอน่าครับเวลาจะตายเวทนาทางร่างกายจะทุกข์ทรมานมากเหมือนกับพวกเราฝึกสมาธิให้เข้าสมาธิจะไม่ไปรับรู้กับความเจ็บปวดของร่างกายใช่ไหมครับใช่ก็าเราใช้วิธีเข้าสมาธิมันก็จะไม่มันก็ยังไม่รู้ความเจ็บปวดของร่างกายในขณะที่ใจยู่ในสมาธิ แต่าหามมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คือวิธีของปัญญาแต่เราต้องมีสมาธิก่อนแล้วเราสอนใจให้ยอมรับความจริงของของเวทนาว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องมีทุกมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไ ม, ม่ทุกข์เราไปห้ามมันคามันไม่ได้เราต้องอดทําใจอยู่กับมันให้ได้นั่งมันให้ได้ด้วยด้วยสมาธิด้วยเบิกขาที่เราได้มาจากสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิต้องทําในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธิ และเรากมจะอดทนจากความทุกข์อย่างท้าวอยความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดัองร่างกายคุณศกงศักดิ์ครับแม่ของผมเลี้ยงดูผมด้วยการฆ่าปลาฆ่าสัตว์มาทำอาหารให้ผมกินท่านต้องทำบาปเพื่อเลี้ยงดูผมทุกวันนี้ท่านมีอาการทางจิตเวชผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนผมจะช่วยแม่ได้อย่างไรบ้างครับ ก็ท่านต้องไปพาไปหาหมอก็พาไปหาหมอถ้าพาไปหาพระได้ก็พาไปหาพระถ้าท่านว่าการแก้ปัญหาเรื่องจิตนี้พระพระนี่จะดีกว่าทางทางทางหมอต้องไปเจอพระที่เป็นพระที่มีธรรมะนะแต่ถ้าไป็พระที่สุดพระพงศน้ํามนต์นี่ก็ช่วยไม่ได้นะบางทีเที่ยวไปหาพระได้ถ้าพระพงน้ํามนต์ก็จะแต่ถ้าไปหาพระวิปัสสนาท่านจะสอนให้ ภาวนาให้ทําใจให้สงบให้ทําใจให้ให้ปล่อยวางด้วยปัญญาถ้าท่านอยากจะไปนะถ้าท่านไม่อยากไปเราก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยท่านไม่ได้คุณปทุมวันครับนีคอมเมนต์บอกว่าสักวันคงมีโอกาสไปกราบท่านนะครับได้แต่อ่านประวัติและฟังคําสอนของท่านมีบางคลิปที่องค์หนวงตามหาบัวเอ่ยถึงท่านกราบสาธุครับ คุณเด่นครับเราควรทําใจให้ไม่ตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ควราะว่างเฉยให้สักแต่ว่าเราไม่ทำได้ก็ต้องมีสมาธิในระดับฌานสีขึ้นไปคุณเพชรวันครับการพิจารณาคือช่วงที่เราใช้ชีวิตประจําวันเช่นเมื่อเจอความโกรธไม่พอใจเราก็คิดว่ามันไม่แน่นอนแบบนี้คือการพิจารณาถูกต้องไหมครับ ก็ถูกต้องคือความโกรธนี่มันเกิดจากความอยากของเราเราต้องพิจารณาว่าเราอยากพยาถ้าเราไม่อยากเราก็ยังไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมไม่เป็นไปตามความอยากเราก็จะโกรคุณจินนี่ครับอยากทราบว่าทําไมบางคนไม่มีความเมตตาการุณาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์เลย แต่คุณภาพชีวิตพวกเขาดีกว่าคนที่มีจิตใจดีมากๆมีแต่โชคลาภครับก็เป็นเรื่องของบุญชลบาตแต่ละคนที่ทำมาหรือเป็นเรื่องของภาวะของความไม่แน่นอนคนทำบาปคนที่มีใจหดร้ายก็อยู่แบบสุขสงบสบายก็มีเยอะแยะไปหรือมาอาจจะเป็นลาภของเขาที่เขาจะได้รับผลของบุญที่เขาได้ทำมาแน่ด ส่วนบาปที่เขาทาในปัจจุบันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลก็น่านั่นนั้นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าคนนี้ทําบาปแล้วทําไมถึงมีความสุขมีความเจริญคนนี้ทําบุญแล้วกลับทุกข์ยากบาปเพราะว่ามันมีวิบากของกรรมแต่และแต่และตัวมันไม่มันไม่แสดงพร้อมกันหมดทีเดียวถึงวาะของตัวไหนไม่แสดงมันก็สมผลให้คนนั้นตกต่ำถึงวาระที่จะทําให้ ชีวิตเขึ้นสูงก็าขึ้นสูงไปไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่ อ, อกดแห่งกรรมหรืออะไรคุณนิจลีครับถ้าเราฝากคนอื่นใส่บาตแล้วเราแผ่เมตตาด้วยเราจะได้บุญไหมครับถ้าอุทิศบุญจะได้การการใส่บาตก็เป็นการให้แผ่เมตตาในตัวนะครับคือให้ความสุขกับผู้อื่นถ้าใส่บาตก็ให้ความสุขกับพระ ถ้าไม่มีข้าวกินเราให้ข้าวถวให้ข้า ว, ใ ห, าวให้ท่านกินได้ก็มีความสุขขึ้นมาเราก็ให้ความสุขกับท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการการแผ่เมตตาไปโดยตัวคุณพอลครับถ้าเราฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะได้ฌานหรือเปล่าครับแล้วคนธรรมดาควรฝึกฌานอย่างไรครับก็นั่งนั่งเฉยๆน้างหลับตาแล้วนั่งสมาธิต้องมีสติก่อน ถ้ามจะติแล้วกำกับควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องนั่งนี่ได้จิตก็จะเข้าไปในฌานได้คุณพัชรีครับเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิแต่ไม่เคยทำได้เกินห้านาทีขอแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อไปฝึกทําทำให้ได้ดีขึ้นครับสติยังน้อยไปล้ันฝึกสติได้ในระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่งก่อน จะใช้พุโทโธก็ได้บริกรรมพุโทโธไปภายในใจคอยกู้ขบขันที่อย่าปลาให้คิดเนเรื่อยเรื่ยแล้วอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่ก็ดูไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปขิน้นทั้งนั้นทั้งนีง้ถ้าเวลานั่งสมายทีก็จะมีสติที่มีกาลังมากขึ้นเราก็จะสามารถนั่งให้สง บ, บได้นานขึ้นนั่งได้นานขึ้น ฝึกอย่างไรให้มีสติรู้ทันที่มากระทบภายใต้ความเหนื่อยล้าในระหว่างทํางานต่อเนื่องครับก็นี่แนหะละก็ต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่มีพุโทโธพุโทโธแล้วลการอารมณ์ลอยขึ้นมาพุโทโธก็สามารถาระงับมันได้คุณตีเล็กครับเดินจงกรมใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่เวลานั่งใช้พุโทโธได้ไหมครับได้ คุณนิตี้ครับถ้าเราไม่อยากเข้าวัดไหว้พระเพราะเบื่อข่าวเกี่ยวกับพระทําชั่วอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเพียงแต่ว่าเาอาจจะเสียโอกาสที่ไปพบคุณพาะดีๆก็ได้ยิ่งถ้าเราก่อจะเข้าไว้ดก็เหมืออาการที่เราจะไปเข้าร้านอาหารเนี่ยเราก็ไปซื้อชั่วเข้าไปร้านอาหารที่เราไม่รู้จักว่าเป็นอาหารหาอะไรอร่อยหรือไม่ เราก็ต้องค้นหาเสิร์ชใน g ูเกิลดูว่าร้านไหนมากที่เขาแนะนําคนเข้าไปกินกันเยอะแล้วว่าร้านอาหารนี่น่ากินวัดก็แบบเดียวกันน่ะลองเสิร์ชใน g ูเกิลดูก็ได้ว่าวัดไหนหน้าไปกราบไหว้ว่าเราเราก้องการวัดแบบไหนก็ก็ถามก o เกิลดูต้องการวัดปฏิบัติต้องการวัดมูต้องการวัดแจกน้ำมนต์อะไรก็เลือกเอาเขาจะมีคนเล มีคนที่เข้าไปคอมเมนต์เขาไปมาแล้วเขาจะได้คอมเมนต์ว่าวันนี้ดีนะไปขอพรอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการเน้ย่ยังมีวัดดีๆอยู่เยอะข่าวที่เราได้ยินนี่เป็นวัดแค่ไม่ถึงร้อยละสิบนัน่ที่เป็นวัดที่ไม่ดีนะเพราในเมืองไทยมีเป็นพันเป็นหมื่นมันมีแค่ไม่กี่วัดที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราเราอยากอยากที่โบราณเข้ามาปาทูน่าตัวปาแนวตัวเดียวอย่าไปเทะปาทั้งทั้งเข็งทิ้งไป ก็เรือกเอาแต่ปาที่มันเน่าออกไปจากเข่งปลาที่ดีก็เก็บมาไว้ได้ปลาที่ดีเองมีอยู่เยอะแยะปาที่ดียังมีเยอะแยะก็มาค้นหาดูเพื่อถามคนคนที่เข้าไปวัดบ่อยๆเขาก็จะรู้กันคุณสัชาวดีครับถ้าเราทําบุญเข้าปฏิบัติธรรมอธิษฐานแป่ส่วนบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้รับบุญตามที่เราอธิษฐานไหมครับ คือการอนุตตรานี่มันมันมันส่งชนบุญให้คนอื่นไปกไ็ได้บุญใัยบุญมันเพีงแต่ว่ามีข้อยกเว้นหน้าท่านเราเราส่งบุญให้คนตายนี่เราส่งได้แต่ต้องเป็นบุญจริงจริงนะการเข้าวัดการไปปฏิบัติทางวันสองวันนี้อันจจะไม่เกิดบุญขึ้นมาก็ได้บุญก็เกิดกันคือผลจากของการปฏิบัติวิจิตต้องเข้าฌานได้ถึงจะมีบุญเกิดขึ้นมา แล้วจิตต้องบัรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นอะไรขึ้นมาถึงจะได้บุญจริงๆตอนนั้นยังเป็นการเตรียมบุญในการสร้างบุญอยู่เวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนี่เรากำไปสร้างบุญไปสร้างความสงบแต่ถ้าจิตยังไม่สงบจิตยัง่เข้าชายไม่ได้นี่ยังไม่มีบุญเกิดขึ้นเราจะเบุญที่ไหนไปอุทิศแต่ถ้าอยากจะอุทิศบุญให้คนตายนี้เราสามารถทําได้ทันทีด้วยการทําบุญทําทานเพราะเวลาเราทำบุญทําทานนี้เกิดบุญขึ้นมาทันที มีความสุขใจขึ้นมาทันทีผลของบนญผลของทางเกิดขึ้นทันทีเวลาที่เราได้ทําบุญครูอาจารย์สอนว่าถ้าอยากจะอุทิศบุญให้คนตายก็ให้ทําบุญทําทานใส่บาทนี้เป็นต้นแล้วสําหรับคนเป็นถ้าอยากจะให้ก็มีความสุขก็เอาของไปให้เขาเลยเอาเงินไปให้เขาเลยใช่ไหมเวลาเอาของไปให้เา้าเงินไปให้เขาเขาก็มีความสุขใจขึ้นมาคุณจินนี่ครับนาทีที่จิตสุดท้ายจะดับ เราจะรู้ตัวไหมครับว่าเรากําลังจะตายครับเกิดไม่ดับที่จะดับก็คือตาล่างกายเราก็จะรู้จนกรทัง่งมาสุดท้ายเนะี่ยรู้ใจถ้าเรามีสติสมบัติชัญะไม่หลเราก็จะรู้เวลาล่างกายหยุดหายใจนะคุณเพชรงามครับ พระสโสดาบันถ้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานขั้นสูงต่อไปจําเป็นต้องมีวิปัสนาจารย์คอยชีย้แนะไหมครับถ้าเรารู้ว่าต้องทําอะไรก็ไม่ต้องอะไรแต่ถ้เรามันรู้ก็ต้องไปคุยกูทักกู ค, คอยสอนคอยบอกขั้นต่อไปแล้วเรื่องละการมราคะเราเรารู้จกากวิธีนะกรรมราคะแล้วแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องให้มีคนสอนวิธีละการมราคะเรต้องใช้อสุภาษณ์สงวนเห็นว่าร่างก า, ายนี้ไม่สวยงาม ง่ยเปลี่ยนน่ากลัวต้นเดืภายในครับภายในของร่างกายอยะะู่าวิทยาศตร์ต่างๆแล้วมันจะทําให้ความรักความชอบร่างกายไม่หายไปคุณชูตาครับอุเบกขาภาวนามีความหมายอย่างไรครับอุเบกขาเวทนาไม่เใจว่อุเบกขาเวทนาอรอุเบกขาเวทนาครับคือเข้าใจผิดคนระับคือเวทนามันมีสามย่อย ม่สุขมีทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์คนก็ว่าที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี้เป็นอุเบกขาไม่ทนามัาจริงไม่ใช่อุเบกขานี่คือการวางเฉยของใจไม่รักไม่ชังไม่กวัไม่หลงคุณสมชายครับผมถวายปัจจัยร่วมกถินหลายวัดแต่ไม่ได้ไปทำเองเลยจะได้บุญเท่ากับไปเองได้เหมือนกัน คุณสุภาพรครับพระถามเคยเห็นผีไหมโยมตอบไม่เคยพระบอกให้ไปตึกโสตองงถล่มแล้วห้ามห้อยพระไปเจอแน่โยมไม่ตอบแต่โยมคิดผีไม่มีเป็นการหลอกตัวเองอย่างนี้โยมบาปไหมครับไม่บาปมันเป็นความคิดของเราเป็นความคิดที่เราเราเชื่อของเราแตถ้าถามว่ามผีมีจริงไหม ผีจริงก็มีผีหลอกก็มีผีไม่จริงก็มีอย่างที่ใคยพูดเสมอว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือคือจิตใจของพวกเราทุกคนเวลาตายไปมันก็เป็นดวงวิญญาณขึ้นมาเราก็เราก็เริ่มดวงวิญญาณว่าเป็นผีส่วนผีที่มาหลอกเราเวลาที่เราไปอยู่สถานที่น่ากลัวแล้วเกิดความคิดว่ามีผีอันนี้เป็นผีหลอกเราคิดปูแตกขึ้นมาเองผีหลอกไม่มจริงผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอก คุณธิดาครับการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญกุศลแตกต่างหรือเหมือนกันถ้าแตกต่างการกราบขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างด้วยครับคือการแผ่เมตตาคือการให้ความสุขกับผู้เช่นคุณส่งขอ ง, ญญป ง, ขอ ง, องไปอองให้เพื่อนเนี้ย น, น, น, นี่ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วส่วนของเมื่อไปเที่ยวมาแล้วซื้อของฝากมาให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับผู้ส่วนการอุทิศบุญเนี่ยอยู่ในข้อทีี่ย วิธีนีก็เป็นการส่มบุญให้กับผู้ตายไปก็เหมือนกันผู้ตายรับข้าวของไม่ได้เราก็เลเปลี่ยนข้าวของมาเป็นบุญแทนเอาข้าวของไปถวายพระแล้ว เ, เราก็จะได้บุญจากการเอาข้าวของไปถวายพระเราก็ส่งบุญนี้ไปให้กับคนตายได้มันก็เป็นการแทนเมตตาเหมอือนกันวันนี้อาจารย์อิทธพนท่านเป็นเลขาธิการแพทยทสภามานฟังด้วยนะครับอาจารย์ แล้วก็ถามคําถามครับบอกว่าคนป่วยหนักในไอซูไม่มีสติเราสื่อสา ร, รจิตจะรับรู้ได้ไหมครับมันก็ต้องทั้งทั้งสองฝ่ายมีความสามารถที่จะสื่อสารกันได้คนคนที่รับก็ต้องมีเครื่องรับคนที่ส่งก็ต้องมีเครื่องส่งเพื่อติดต่อกันได้ก็คือต้องมีก็เรียกอุ ป, ปจารสมาธิหลวงพ่อเจ้าที่ติดต่อกับดวงวิญายของแม่ได้ เราเป็าณของแม่อยู่ในสวรรค์พระพุทเจ้าจมีอุปจาระสนะที่เทวดานั้นก็สามารถที่จะติดต่อกับพนุษย์ได้ด้วยดังนันก็เลยสามารถติดต่อกันได้ถ้าฝ่ายหนเครื่องส่งมีแต่ฝ่ายหนึ่งเครื่องรับไม่มีก็ไม่สามารถจะติดต่อกันได้คุณอัมพรครับดิฉันไปทําบุญและฟังเทศในโอกาสที่สําคัญที่วัด เมื่อกลับมาจะพูดกับพ่อว่าวันนี้ลูกไปทำบุญและฟังเทศขอแผ่บุญให้พ่อด้วยนะอย่างนี้พ่อได้บุญไหมครับ ไ, ได้บุญการบุญมันถ้าพ่อทำแบบฟังเองถึงจะได้บุญกินกรครับบอกว่าเมื่อวานเป็นบุญอย่างกราบท่านอาจารย์มีความปิดิดขอโอกาสครับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ด้ยจะพอมีโอกาสไหมครับก็ต <c oughs> <t> ้องมาที่กรุงเทพนะทุกวันสามที่มันประมาหลายสองโมงเนี่ยพรู้สึกว่ามานี่มาตอนที่เนทิรันอาจารย์สองคนอช่ไหมรู้สึกกัมาสองคนวันีอาจารย์ไปจะไปทุรับที่ไหนไม่ทราบเราผ่านมาก็เลยแวาเข้ามาตอนนั้นก็วันีกับจะสี่โมงแล้วเราก็เริ่มนกติแล้วก็จะมีวิปัสสนา ปฏิบัติมาปัสนากรรมาฐานช่วงสองโมงถึงสามโมงช่วงนั้นก็มีปัสสนาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการทำมิปัสสนาหให้เกิดประโยชน์ใน่วงที่สองรากวมานั่งสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบห้ายากจมาก็มาได้ทุกเสราร์อาทิตย์กับวันพระเมื่อวันหยุดราชการก็มีการแสดงธรรมในการนั่งสมาธิทุกครั้งม่วันนี้วันเด ฝนตกก็เลยแสดงทํามได้แค่สิบนาทีพอฝนก็เริ่มตกเสียก็เลยดังก็เลยหยุดแสดงธรรมนั่งสมาธิกันถ้าเราฝนหยุดเก็ประมาณอีกห้าสิบนาทีวันนี้ก็ได้นั่งสมาธิมากหน่อยปกติจะนั่งประมาณครึ่งหนึ่งหรือสามสิบนาทีแต่วันนี้นั่งได้ห้าสิบนาทีาได้ปัญญาน้อยน้อยหน่อยได้าังธรรมแป๊บเดียวแค่สิบนาที การไหว้พระขอพรโน่นนั่นนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้จริงไหมครับถ้าให้ได้ผู้จ้าก็ไม่นำมาสาอนน้อยเสียเวลายกนิพพานให้เราทุกคนคเลยส่งไปทางติ๊กตอกหรือโส่งไปทางอะไรเลยคุณเจววครั บ, <laughs> รบต้องทําสมาธินานแค่ไหนและอย่างไรถึงจะได้ชาดสีครับชนานก็นไม่นานอยู่ที่สติ ถ้ามีสติดี5นาทีก็เข้าฌานได้ถ้าไม่มีสตินั่งไปทั้งวันก็ไม่เข้างั้นต้องมีสติก่อนถึงจะเข้าสมาธิได้งั้นไปต้องทำสมาธิให้มีสติอย่างต่อเนื่องก่อนแล้ววางขาลงที้านนึ่ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราตกใจว่าเพ อ, อย่างเดียวอย่าพูดโท้พูดโธไปผมใส่วันนี้มีตัวอะไร แกก่ากดฟ้ออ า, าจารมากใช่ม<อ>ีมาตันยจนเข้ามาก็ได้๋อ้คุณธั ญ, ญรัตน์รับบอกว่ารู้สึกว่าตนเองก็ยังม <ì> ีที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในทางธรรมจากการได้รับฟังการสนธนาธรรมรายการรายการนี้นะครับเป็นสะพานบุญจัดขึ้นได้ฟังได้คิดตามและนาไปปฏิบัติ ปรับใช้ในชีวิตประจําวันอ๋ออันนี้ขอบคุณเฉยๆครับอาจารย์ครับคุณปาริชาติครับทุกวันนี้โยมเห็นพระภิกษุบางองค์ออกบินทบาตตอนเช้ามือหนึ่งถือบาตรอีกมือหนึ่งลากรถใส่กล่องพลาสติกไว้ใส่อาหารที่ล้นบาตรอย่างนี้ผิดวินัยสงฆ์หรือไม่อย่างไรครับคืได้พระนักติก็พอได้บ้านไ้เป็นบาตรก็ควรจะพอแล้วนะพระถ้าเป็นบาตร คงเดียวเพื่อบรรลเร่งตัวเองแล้วถ้าเป็นการเบญบาตเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเหมือนกับการมีกําหนดกําหนดเส้นทางว่าจะต้องเดินจะต้องเดินไปถ้าเป็นโน้นบาทก็ให้ลูกศิษย์ช่วยถ่ายออกไปะไม่ได้ทําเพื่อจะบรรเลงตัวเองทําเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธามีความอยากจะใส่บาตรได้ใส่บาตรไปให้ครบให้มัมื่อนสองกรณี อย่างถ้าเราไปเดินบางอย่างส่วนมากในในกรุงเทพเนี่ยวัดเขาจะจะเลือกเดินเดินเป็นตลาดของใครของมันไงเราก็จะออกไปเดินเป็นตบตลาดถือบาทไปพอได้หารพอเพียงแล้วก็กลับวัดถ้าเราไม่โลภนะแต่ถ้าบางทีพระบางเรื่องท่านอาจจะมีภาระเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องเรื่องใครไรู้เนะี่ยอย่างนี้ทั้งาจจะมีถุงมีถุงพลาสติกเที่ยวไปด้วยมีย่ามเที่ยวไปด้วยเวลาของสายบาทมันเต็มบาทมันก็ ท่านก็เา้ายย้ายสายถูงสายย่ามไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอันนี้สมัยนี้เราก็ไม่ได้มาคอยมาคอยจ้องจับผิดท่านหรอกมันเรื่องของของตัวใครตัวมันแต่ถ้ามีมีวินัยรู้สึกจะมีอยู่ข้อห น, นึ่งว่าไม่ให้รับประทารเกินก็ให้เกินน้นบาตเกินบาตรอย่างเงี้ยเพราะเต็มบาตแล้วควรจะอยู่ถ้าบินตบาดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองเพียงองค์เดียว แต่ถ้าต้องเดินเป็นสายตามที่กําหนดให้ที่ชาวบ้านเขานให้หมดให้เดินนี้อันนี้ก็ต้องเดินมาให้ครบสายนี่ชาวบ้านเขาสายถ้ามันเต็มก็ต้องมีการถ่ายมาแต่ที่เราเดินทั้งวันนี้ต้องถ่ายข้าวประมาณสองครั้งด้อสามครั้งด้วอครับแล้วกับข้าของขึ้นมันเยอะของมันใหญ่ก็บา ง, งทีใส่บานไม่ได้ก็ใส่เป็ฟ้าบาทแล้วบางทียา่าโยมก็สา่งให้ใส่ฐานเลยก็มี ญาญโยมทงบ้านแต่วันนี้คุณ น, น้ํามาใส่บาตรด้วยเลืมลืมบอกอไม่ใช่คณ น, น้ํามาใส่บาตรตอนนั้นในกองเป็นคุณหน้าหนตาคายกันใช่ครับหน้าตาคายกันแต่ก็ไม่กล้าถามแต่ถามว่าใครมาจากสมุทรสาครใช่ไหมใช่เป็นคุณนาคุณหมอโอครับขอบพระคุณครับอาจารย์เนตตาจำได้ครับมาจากหลายคนมากาจากลูกหลานหลายคนด้วยกันครับ กลายเป็นตรงบ้านอำเภอเป็นที่ทำบุญของตระกูลผมไปครับอาจารย์อยากไปกราบพระอาจารย์ครับผมมีคุณหมอฤทธิเดตบอกว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปครับทำอย่างไรให้จัดการกับความรู้สึกผิดในใจที่ดูแลท่านไม่ดีพอได้บ้างครับก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนของเราแล้วกันว่าเราอาจจะ มองข้ามความจัดการของพ่อพ่อแม่ไปก็ อ, อย่าทําซ้ําอีกกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนไหนก็มีบุคคลอย่างเราเราก็คนที่อยจะให้ความสัมันธ์กับเขาแล้วก็พยายามดูแลเขาให้ดีกว่าเท่าที่ก ว, ว่าที่เราเคยทาํามาเมื่อบุตรตายแล้วพ่อตายแล้วเรามาารันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ในแต่และอาวเราเป็นบทเรียนสอนใจนะว่าอย่าทําซ้ําอีกกแล้วกับบุคคลที่มีกุศล คุณสุมิตราครับบอกว่าบางคนทําบาปครั้งเดียวตกนรกบางคนทําบาปหลายครั้งแต่ขึ้นสวรรค์บางคนทําบุญประจําแต่ตกนรกมีอะไรเป็นตัวแปรครับเพราะบาปมันมีหนักมีเบากันหนักบาปเบาก็มีอย่างสิ้นห้าเนี่ยาบาปไม่เท่ากันสิ้นห้าเนี่ยบาปหนักที่สุดก็คือการฆ่านี่มานอนลงมาก็คือการรักษาการลงมาก็คือการมาพ้นผิดในกาบอกมาเพื่อการพูดปด เพราฉะนั้นความหนักเบาของของของของบาปมันก็เหมือนกับโทษที่เขาเวลาทําผิดกฎหมายเขาก็มีโทษที่หนักเบาต่างกันบานที้ก็ประหารชีวิตเลยก็มีบางทีก็จำคุกตลอดชีวิตบางทีก็ยี่สิบปีสิบปีแล้วแต่ความหนักเบาความเสียหายของของขอ ง, ของการกระทําบาปว่ามันมีความเสียหายมากน้อยบาปมันก็มีความมีท่อนหนักเบาไม่เท่ากัน คุณสมชายครับการสวดบทแผ่เมตาเตาสัพเพสัตตาตอนสวด ต, ต้องวางจิตอย่างไรจึงจะแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ครับแผ่ไม่ได้หรอกการสวดการสวดไม่ให้เป็นการแผ่การสวดนี่เป็นการฝึกสติเพื่อให้ใจเราสงบนไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทำํำเวลาเราเจอใครเราก็ให้ความสุขกับเขาทักทายเขายิ้มให้เขามีของแจกก็แจกให้เขาไป ในเรแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดคนเดียวอยู่ในห้องอยู่ในวัดแล้วก็ให้ส่งไปเหมืกระจายเสีย ง, ยงไม่ใช่เองนะคนบางคนที่การแผ่เมตตาปละ ก, กา ร, การ ก, า ร, ก, ารการกระจายเสียงคนสถานีพุทธิยุทธ่แผไ่ไปได้หมดครอบทั้งจักรวาลเลยสับประสาททั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ การที่ได้ตั้งใจนั่งฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตอบธรรมะอย่างนี้ถือว่าได้ทําสมาธไมิไหมครับได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาคือฟังแล้วใจก็จะสงบในระดับหนึ่งแทนสสที่จะสุ่งสั่นแทนที่จะเครียด ก, กับเรื่องต่างๆเรื่องชายแดน re, เรื่องอะไรเอ่ยพอเราฟังธํามให้ความค Legacy, ออารียดเหล่านั้นก็หายไปก็เรียกว่าได้ความสงบแล้วไม่ถึงกับขั้นรวมเป็นฌานขึ้นมาแล้วก็ได้ปัญญาด้วยเราได้ความรู้ต่างๆ เนีอันที่สองของการทําธรรมนี่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองธรรที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับข้อที่สามก็จะช่วยกํจาจัดความสงสยัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ข้อที่สี่ก็จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาสมาธิิคือก็มีความรู้ความฉลาดเพิ่มมากขึ้น ข้อที่ห้าก็จะ่าให้จิตใจเราสงบผองสอยมีคืออันที่สองห้าห้าข้อยนกันได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังทําม้รสนทนาทํากันคุณอมพรครับเราสั่งน้ำดื่มและบริษัทให้รถไปส่งที่วัดโดยที่เราไม่ได้กรวดน้ำและถวายกับพระเราได้บุญเต็มไหมครับได้เต็มการกรวดน้ำนี่เป็นการเป็นการทำใ อีกส่วนหนึ่งคือการอุทิศบุญได้กับผู้ที่เรงรับไปแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาผู้ตายได้รับจริงไหมครับและลูกได้จริงหรือครับเป็จริงรครับการสวดมนต์ได้เป็นการฝึกสติทำสมาธิเท่านั้นเองการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําคุณไมตรีครับเรื่องที่ไม่พอใจจะแวบ มาวนเวียนเข้ามาให้คิดอยู่บ่อยๆจะมีวิธีไม่ต้องคิดเรื่องนั้นได้ไหมครับเราจะเริยนสติเช่นบริกรรมพุโทโธพุทโธไปมันมีเรื่องอะไรไม่ดีเข้ามาแล้วก็ใช้พุโทโธขับมันออกไปได้อยู่กับพุโทโธไปเรื่องที่ไม่ดีก็เข้ามาไม่ได้คุณยายตายครับการที่เราไม่ได้เจตนาฆ่ามดเช่นไล่มดออกจากอาหารแล้วไปเห็นมันตายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ มันไม่เป็นบาทแต่มันอาจจะเป็ น, เ, ปนเวรคือเราจะไม่ต้องไปรับผลบาปจากการทำให้หมดตายแต่มดที่มันตายอาจจะจองเวรเราไ็ได้จากน้องดูดูครับบอกว่าสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกายทาตสังขารของเราส่งถึงท่านอ๋อมัอันนี้แผ่ไม่ตายใช่ครับ คุณท่านครับคุณแม่เสียไปเกือบจะสามสิบปีแล้วบางครั้งคิดถึงแล้วร้องไห้จะเป็นการหน่วงเหนียวจิตวิญญาณของท่านไหมครับไม่เกี่ยวกันะ่ะจิตวิญญาณของท่านก็อยู่กับบุญกับบาปของท่านใครจะมาร้อผมล้อไห้มน่อน ม, มเดียวมันโยวิญญาณขเขาไว้ได้แร้วคุณนาริตาครับแต่ก่อนไม่เคยรู้จักวัดยานพอฝันเห็นพญา น, นาคพาไปหอม ถ้ามหาบนดกตั้งแต่นั้นมายึดทำบุญที่วัดยานตลอดมาแบบนี้เป็นการยึดติดไหมครับคือการยึดติดในสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอย่าไปยึดติดกับยาเสพติดเนยึดติดกับสิ่งที่มีคนประโยชน์ไม่เสียหายยึดติดได้ยึดติดกับธรรมะยึดติดกับพระพุทธเจ้าธรรมะสองนียึติดได้คุณเจี๊ยบครับบอกว่าตอนผ่ามะเร็งลำไส้เห็นเวทนามากเสียดายครับที่ญาติญาติมารบกวนมากครับ ต้อบูสลาธิเพราะนั้นจะทำสมาธิทําใจให้นิ่งต้องไม่มีใคมรคามรคารบกวนต้องอยู่คนเดียวคุณใบโอเล็ดครับคุณแม่มักจะไม่ค่อยไปวัดหรือทําบุญที่ไหนการชวนคุณแม่ให้ทําบุญกับเราโดยท่านก็จะทําบุญตามที่เราชวนเสมอแบบนี้ท่านจะได้รับบุญจากการชักชวนตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ครับ ถ้าท่านทำบุญคยท่านให้เงินเราไปทําท่านก็ได้บุญด้วยแต่ท่านท่านไม่ได้ให้อะไรเลยไปทําท่านเพียงแต่พยายาหน้าเฉยๆท่านก็ยังไม่ได้บุญคุณพายุครับสร้างบุญกระถินอย่างไรจึงจะได้บุญที่แท้จริงครับก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้แล้อย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้รับอยให้เขาจจกของให้เราหรืออยาก อยากจะให้เขาเรับรองเอาว่าเราได้ทําบุญแล้วเพืเราจะได้ไปขอเครื่องราชให้ทำเราเนี่อันนี้อยาอย่าทาเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนทําด้วยความบรสุทธิ์ใจทำด้วยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับแล้วก็จะได้บุญเต็มที่คือทําบุญแบบปิดทางหลังพระนี่ยครับคุณสักกัญญาครับบอกว่าแจกโรงทานแล้วมีคนมารับของหลายรอบ แบบนี้เราควรจะบอกเขาดีไหมครับถ้าเราแจกก็อย่าไปสนใจคนที่มารับรับเลยเขาจะม า, าแล้วกินนอกก็โังเขาทำในหน้าที่แจกเขาแจกไปคุณยานครับบอกว่าพิธีสวดศพอภิธรรมในวัดจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องมีไหมครับคือมันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันมานจริงๆแล้วคนตายตายไปนี่มีหน้าที่เผาหรือฝังอย่างเดียวใช่ไจัดสร้างให้ระดับไป จะมีการสวดไม่มีกวนสวด ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่สําคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้หลวงตาท่านสั่งไว้ว่าตอนที่ท่านอยู่นะท่ยเวลาตายอย่าไปนิมนต์พระมาสวดสวดให้กับเราเนะเราสวดข้งเราอยู่ตลอดเวลากุศลาอยู่ตลอดเวลาคือกุศลาก็คือความฉล า, าดคือปัญญาท่านสอนใจว่าท่านตลอดเวลาให้ปล่อยวางร่างกายในเวลาท่านตายไปแล้วไม่ต้องมาสวดเพราะสวดท่านก็ไม่ได้นอกอยู่ดี สวดให้คนเป็นนมากอ่ะสวดช้อนคนเป็นแต่คนเป็นก็เที่ยวสวดให้คนตายคนเป็นก็ไม่ฟังคนเป็นก็จะไปคุยกันเวลาไปพาสวดสวดจดมันมันก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจารย์ครับแต่ตอนงานหลวงตาก็สวดอยู่ดีใช่ไหมครับ อ, อ, อาจารย์ก็มันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ท่านจะห้ามได้เพาท่านตายไปแล้วเมืท่านสายเมื่ก่อนก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อท่านเมื่อแต่เจนีท่านก็บอกอย่ า, ยาสร้าง ก็มีสร้างกันเยอะแยะขึ้นครับคุณธัญญาบอกว่าเวลาไปเดินช่วงเช้าไม่ได้เตรียมของใส่บาทเราเอาเงินใส่บาทแทนเลยได้ไหมครับคือถวายพระได้แต่ต้องถวายให้ถูกวิธีถ้าท่านมีลูกเสร็จก็ฝากกับลูกศิษย์ไห้คือถ้าใส่ไปในบาท น, นี้เทวว่าผิดเราไม่หน่อยไม่ควรอยากก็ทับ คุณโกโก้ครับทำบุญหนึ่งร้อยกับทำบุญหนึ่งพันผลบุญเท่ากันไหมครับในคนคนเดียวกันไม่เท่ากันทำน้อยได้บุญน้อยกว่าทำบุญพันหนึ่งแต่ถ้าได้คนสองคนนี้มันต้องมามีเหตนอย่างอื่นมาชั่งด้วยก็คือการทำบุญนี้เราวัดที่สัสดส่วน ข, ของรายได้ของเราถ้าเราทำร้อยละห้าสิบนี้อีกคนละรอีกคนหนึ่งทำร้อยละยี่สิบนี้คนที่ทำร้อยละห้าสิบจะ ได้มากกคนที่ทำาวอยละยี่สิบแต่ปริมาณของเงินคนที่ทำาวอยละห้าสิบอาจจะน้อยกว่าคนที่ทำาวอยละยี่สิบไได้ไม่แน่คุณปอนครับไปทอดกระถิ่นที่วัดแต่เราเห็นผ้าไตรยเยอะแล้วเลยไม่ได้ํำไปถวายเป็นปัจจัยแทนอย่างนี้ได้อานิสงส์งเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ การสร้างบุญกระถิ่ควรอธิษฐานอย่างไรเวลาถวายครับก็เนี่ยขอไม่ต้องอธิษฐานอะถวายปเป็นไขอเสียสละทรัพย์ส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อประโยชน์ของผู้นับไปเท่า น, นี้ก็พอขอาการ์ดครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในในเฟสห้า้อยห้าสิบสามคนในยูสามร้อยอนในยู 569คนในขับสิิในทิกต็อก472ครับรวม 1,604 คนครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา17นาทีวันนี้พระอาจารย์ตอบไป90คำถามนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาทำธรรมมาว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้เอยาไปใช้ในการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปตามลำเดับการสนทนาธรรมตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนอสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไว้พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก่ขอหขลาไปหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการเข้ามานใดอาทิตย์นหน้ากรโอจะได้นนพบกันอีกเช่นเคยขอเจรินพลกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ